ขอนอมน้อมแด่พระผู้มีพระภาพอารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นสตตะปพภะปุพพสิกขาและปุพพสิกขาวันนาพระอมราพิรกติตะอมรโรเกิดวัดบ ร, รมนิวาสรัชนาต่อไปจะเป็นการกล่าวถึงเสนาสนะปฏิสังยุตตถาเกี่ยวกับเรื่องของเสนาสนะ ข้อหนึ่งอย่านั่งอาสนะยาวกับหญิงและบันฑดาะและอุปโตพยัญชนกก็คือคนสองเพศด้วยทรงอนุญาตกาหนดไว้ว่าอานุชานามิพิคเวทาเปตาวาปันตะกังมาตุคามังอุปโตพยัญชนะกังอสมานาสันิเกหิสหทีคาเนนิสีดีตุงว่าเราจะถากตยอมให้นั่งในอาสนะยาว กับผู้มีอาชนะไม่เสมอกันนอกนั้นยกบรรดาะคือกระเทยและหญิงและอุปโตพยัญชนกคนมีทั้งเพศหญิงเพศชายเหล่านี้เสียพระองค์ทรงอนุญาตไว้ว่าอาชนะใดพอนั่งได้สามคนอาศนะเท่านี้แหลชื่อว่าอาศนะยาวอานุญาตให้นั่งอาศนะยาวได้สําหรับผู้ที่มีอาชนะไม่เสมอกันหมายถึงว่า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 สามารถนั่งร่วมกันได้เราก็นั่งได้เฉพาะสองคนเท่านั้นหามนั่งสามคนก็อนุญาตสำหรับผู้ที่มีอาสนยาวนี่นะอาสม า, านาสนะเนี่ยก็สามารถที่จะนั่งด้วยกันได้ด้วยคำว่าอนุชานามิพิขเวยังตินนางตะโหติดเอตกังปาฉิมังดีคาชนังดังนี้อาศนยาวเช่นนี้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 ผูมีอาณาจเสมอกันก็คือบรรษาทหนึ่งบรรษัสองบรรษัสามหนึ่งกับสามเนี่ยชื่อว่าแก่กว่ากั น, นสองบรรษั็เรียกว่าสมานาสนิกะถ้าเกิดหนึ่งกับสี่นี่ต่างกั น, นสามบรรษัทแล้วนะอันนี้เป็นอาสมานาและอาสมานาสนิกะถ้าห้าหกเจ็ดตรงนี้ก็เป็นสมานาสนิกะถ้าเจ็ดแปดเก้าต่างกั น, นสองบรรษัย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นสมานาสติกะติวัตสันตะมีระหว่างสามบรรษัทน่ะ ก็คือห่างกันสองบรรษัลนเองอ่อนหรือว่าแก่กว่ากันสองบรรษาลเรียกว่าติวัตรสันตะก็เรียกว่าสมานาสนิกะผู้มีอาสนะเสมอกันก้นแลในผู้ที่แก่กว่ากันหรือว่าอ่อนกว่ากันบรรษัหนึ่งหรือผู้ที่มีบรรษาเสมอกันเหล่านี้ก็ไม่ต้องพูดถึงอันนี้ก็เรียกว่าสมานาสนิกะแน่นอนตั้งแต่หนึ่งถึงสามบรรษาเนี่ยเธอทั้งปวงเหล่านี้สององค์ จะนั่งร่วมเตียงหรือว่าตัางอันเดียวกันได้อยู่ผู้ที่แกรหรือว่าอ่อนกว่าการยิ่งกว่ากําหนดนั้นชื่อว่าอะสมานาสนิกะผู้มีอาสนะไม่เสมอกันอนุญาตให้นั่งในที่ไม่ใช่เตียงตังได้อาสนญญาต่างๆนี้นั่งกับผู้ที่ศรัทธามากกว่าสามัญส า, ารไปเนี่ยก็นั่งได้จานแต่ถ้าเป็นนั่งบนเตียงบนตังนี้นั่งไม่ได้ในดีกาวิมติวิโนอโดะ ด, ดีท่านก็ยกมานะว่า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 ยาวเนี่ยอาสนะยาวที่ไม่ใช่เกียงตัางจะนั่งสามองค์ขึ้นไปได้แล้วก็แม้อาสมานาสิกะไม่มีอาสนะเสมอกันก็นั่งด้วยกันได้พระเถระก็ได้เขาบอกกล่าวพระเถระก็นั่งได้เพราะพระองค์ทรงอนุญาตเตียงตั้งแต่ผู้มีพวกสองอย่างเดียวเท่านั้นพิกตุมเมื่อจะแสดงธรรมอยู่จะนั่งอาสนะเสมอกันหรือว่าสูงกว่าด้วยความคารพในธรรมก็ดี และพิตรุผู้เป็นเถ ร, ระเมื่อให้พิตุนมแสดงธรรมอยู่จะนั่งอาสนะเสมอกันหรือต่ำกว่าด้วยความเคารพในธรรมก็ดีควรอยู่เพื่อทรงอนุญาตไว้ว่าอนุชานามิพิกเวกความละนวเกณะก็ความล ะ, นะมละธรรมะคารเวนะดังนี้ด้วยความเคารพธรรมข้อหนึ่งอย่านั่งนอนที่นอนสูงที่นอนใหญ่ด้วยทรงห้ามไว้ว่าณนะพิกเวอุจาศยนะมหาศยนานิทาเรตบาลิ ติยะธีดังอาสันธิก็คําละอุพาโตโลหิตะกุปทธานังแปลว่ายาพึงทรงคือนั่งนอนที่ที่นอนสูงที่นอนใหญ่ถ้าทรงต้องทุกข์กดที่นอนสูงที่นอนใหญ่นั้นดังนี้คืออาสันธิก็ได้แก่อาสนะคือเตียงตั้งสูงเกินระมานปันลังโกบันลังที่เขากระทำรูปสัตว์ร้ายติดเข้าในเท้า โคนกโกผ้าโกชาวใหญ่มีขนยาวได้ยินว่าขนแห่งผ้านั้นยาวกว่าสี่นิ้วจิตตกาเครื่องล่าทําด้วยขนแกะวิจิตติลายเย็ดปักปติกาเครื่องล่าถาวทาด้วยขนแกะปฏิลิกาเครื่องล่าทําด้วยขนแกะมีลายดอกไม้แน่นเรื่องกันเขาเรียกว่าผ้าชาวโยนกผ้าขมินบ้างตูดิกาฟูกประกอบด้วยนุ่นโดยปกติอย่างเดียว วิกติกาเครื่องราชทำด้วยขนแกะวิจิตด้วยรูปราชสีเสือโครงเป็นต้นอุททโลมิเครื่องราชทำด้วยขนแกะมีขนขึ้นข้างเดียวเอกันตโลมิเครื่องราชทำด้วยขนแกะมีขนขึ้นทั้งสองข้างกติเจังเครื่องปูนอนทำด้วยได้ทองในระหว่างแห่งได้ไหมขิดด้วยทองโกศยังผ้าปูนอนทอด้วยได้ไหมขิดด้วยทอง ก็แลเป็นใหม่ล้วนไม่ขิดทองนี่ควรอยู่ปูตะกังเครื่องปูนอนทำด้วยขนแกะใหญ่พอนางฟ้อนสหกนางเนี่ยยืนราได้หัดถัดธารังเครื่องลาดบนหลังช้างอาสัดธารังเครื่องลาดบนหลังมา้ารัตัดธารังเครื่องราดบนรถอาชินะตระเวนิเครื่องลาดเป็นชั้นขอยับด้วยหนังเสือชื่อว่าอาชินะใหญ่ประมาณเท่าเตียงด้วยว่าหนังสัตว์จำพวกนั้นอ่อนสุ ข, ขุม จึงเย็บซ้อนกันได้กะทะลิมิคาตวร ะ, วะปัจจัดธารนางเครื่องปูนอนอย่างดีเขาทํำด้วยหนังชมดได้ยินว่าคนทั้งหลายเขาลาดหนังชะมดลงบนผ้าขาวทําเครื่องลาดอันนั้นสาอุตตรชดังเครื่องลาดมีเพดานแดงผูกข้างบนด้วยแหนเพดานขาวข้างล่างเครื่องปูนอนเป็นอากัศยะมีอยู่ก็ไม่ควรเมื่อไม่มี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 ในดีกาแห่งขุดสกัดสุขาบทกําหนดไว้ว่าอาสนธิและปัญลังชื่อว่าอาสนะสูงนอกนั้นชื่อว่าอาสนะใหญ่อาสนธิกับบัญลังเป็นอาสนะสูงส่วนอาเจสนะใหญ่ก็เครื่องลาดทั้งหลายนั่นแหละอาสนะสูงอาสนะใหญ่ดังกล่าวมานี้ไม่ควรยาวไปด้านเดียวเนี่ยเรียกว่าเตียงก็คือเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าเนี่ยนะรี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 '8 นิ้วของพระสุคตเป็นขนาดเท้าเตียงส่วนแปดนิ้วช่างไม้เป็นขนาดเึื่องรองรับเท้าเตียงนั่นก็รวมกันแล้วก็สูควรสมควรสูงเกินนั้นไปไม่ควรโดยสงห้ามและอนุญาตไว้ว่านาิภเวอุจจามันจะปฏิปารดากาทาเรตบาอันิชานามิพิภเวก็คำละอัถางกุละปะระมังมันจะปฏิปารกตังตอนุญาตเท้าเตียงไม่เกินแปดนิ้ว ว่าอย่าพึงทรงเชิงรองรับเท้าเตียงสูงถ้าทรงคือรองรับข้าวต้องทุกกฎที่รองเท้าเตียงเนี่ยถ้าสูงเกินแปบดบนี้เนี่ยต้องทุกกฎเราพูดตถาคตยอมอนุญาตเชิงรองรับเท้าเตียงเพียงแปดนิ้วเป็นอย่างยิ่งแปดนี้ช่งางไม้ toggle. อาสันทิก็คือตังสี่เหลี่ยมอาสันทินี้เป็นตังสี่เหลี่ยมถ้าเป็นตังรีนี่เขาเรียกว่าอาสันทิ้เหมือนกันแต่ว่าไม่อนุญาตแต่ถ้าตังสี่เหลี่ยมนี้ แม้เท้าสูงกว่าแปดนิ้วสุขคตก็ควรอนุญาตไว้นะด้วยตรงอนุญาตด้วยว่าอนุชานามิพิกเวเก็ความละอุจจักกัมปิอาสันติกังอุจจกัมปิอาสันติกังแม้สูงอนุญาตเราพูดถาคตอนุญาตตั้งสี่เหลี่ยมแม้สูงเตียงที่ทำพนักในข้างทั้งสามแม้ถึงสูงกว่าประมาณก็ควรด้วยตรงอนุญาตดรวยว่าอนุชานามิพิกเวก็าความละ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 เพราะเหตุนั้นนุ่นแห่งภูตคามอันใดอันหนึ่งย่อมควรในหมอนอย่างเดียวครั้นมาถึงฟูกเข้านุ่นทั้งปวงนั้นชื่อว่าเป็นอากัปยะไต็มิ้นจะเอานุ่นนั้นมาทําเป็นฟูกไม่ได้ทามาทําเป็นฟูกใช้นอนเนี่ยไม่ได้เป็นอากัปยะเลยสมัยนี้ก็ไม่ได้ใช้นุ่นแห่งภูตคามอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วนะใช้เป็นใยสังเคราะห์หมดเลยอนะใส่ในหมอนก็ มียืนหาใส่ในฟูกก็มียืนหาเพราะว่าไม่ใช่เป็นนุ่นแห่งพุทธคามหรือว่านุ่นสามอย่างเนี่นะซึ่งอนุญาตในหมอนแต่ว่าพอถึงฟูกแล้วไม่อนุญาตแต่ว่าท่านเป็นใ่สังเคราะห์อันนี้ก็ไม่มีปัญหาใช่แต่นุ่นนั้นควรในหมอนอย่างเดียวก็หาไม่แม้ขนแห่งนกทั้งปวงเป็นต้นว่าหงและนกยูงและขนสัตว์สี่เท้าทั้งปวงเป็นต้นว่าราชสีจ้ามควรใช้วัตถุอื่นมาทําหมอนก็ได้นะ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 เนื้อสูตดมของหอมอะไรพวกนี้ก็ไม่ควรแล้วก็ใบจินเสฉิ่อย่างเดียวล้วนเนี่ยไม่ควรจะมาทําเป็นหมอนนุ่นฟูกห้าอย่างนี้ก็ามาทําฟูกด้วยทํามอนด้วยก็ได้พระองค์ทรงอนุญาตฟูกห้าอย่างก็คืออุณหพิติ 4, ฟูกยัดด้วยขนแกะหนึ่งโจระพิสิ 4, ฟูกยัดด้วยท่อนผ้าหนึ่งวาตะพิสิ 4, ฟูกยัดด้วยเปลือกไม้หนึ่งตินาพิสิ 4, ฟูกยัดด้วยหญ้าหนึง่งปันนาพิสิ 4, ฟูกยัดด้วยใบไม้หนึ่ง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 เพื่อเหตุนั้นจะทําจีวรโดยกาเนิดหกอย่างและผ้าจึงเป็นอนุโลมหกอย่างสิ่งใดสิ่งหนึ่งทําเป็นเปลือกฟูกแล้วก็ยัดผลสัตว์ทั้งปวงเข้าข้างในแล้วทําเป็นฟูกก็ควรสมัยนี้ก็สําเร็จรูปหมดแล้วแล้วพระพุทธสูตก็ไม่ค่อยนิยมจะนอนเท่าไหร่อายุมากๆยิ่งไม่ดีเลยนอนฟูกแั้นก็นอนเสือ้อธรรมดาแต่ถ้ามีการอนุเคราะ์เอามาถูกต้องตามพระธรรมวินัยก็ไม่มีปัญหาอะไรแม้ฟูกซึ่ง พับผ้ากำพลเข้าสี่ชั้นหรือว่าห้าชั้นไว้ภายในกระทาก็ดีก็นับว่าผู้คนแกะด้วยใช้ผ้ากำพลพับเข้าไปไว้ข้างในก็แลปผูกยัดด้วยใบไม้นั้นยกใบพิมเสนเสียใบไม้ใดๆไม่ว่าควรทั้งสิ้นเลยยกเว้นใบพิมเสนอาจจะฉุน ห, หน่อยก็แต่ใบพิมเสน เ, เจือด้วยใบไม้อื่นจึงควรถ้าใบพิมเสนล้วนๆนั้นไม่ควร ในอัตถกถ า, ากุรุนทีกล่าวว่านุ่นห้าอย่างมีขนแกะเป็นต้นอันใดซึ่งควรในฟูกนุ่นนั้นในมัสสุรกาตก็ควรเหมือนกันด้วยคำนั้นเป็นอันสาเร็จความลงว่าจะบริโภคมัสสุรกาต่ก็ควรในดีกาสารัตถีปณีก็ไขบทมัสสุรกาว่าจำมะมะยะพิสิแปลว่าฟูกหนังฟอกนั่นเองมัสสุรกะ ก็คือฟูกหนังฟอกเอาหนังเนี่ยไปฟอกมันก็ยิ่งนิ่มมากขึ้นเลยองจะนอนสบายกันนะนะต้องทำปริญญาด้วยก็อนุญาตให้นอนในฟูกหนังฟอกได้ในสารรัฐชีปนีแล้วก็ในอัต ถ, ถากุรุนทีกำหนดประมาณแห่งฟูกไม่มีมจะใช้ฟูก อ, อะไรกี่อย่างนะฟูกเตียงฟูกตังฟูกราดพื้นฟูกที่จงตรงฟูกเช็ดเท้า เหล่านี้พึงกําหนดตามสมควรแล้วก็ทําประมาณตามชอบใจเถิดก็ให้รู้ประมาณอีกข้อหนึ่งอย่าทรงหมอนใหญ่ประมาณตึงกายด้วยทรงห้ามและทรงกําหนดอนุญาตไว้ว่าณพิขเวอัจกายิกานิพิมโบหนานิทาเรตบาลิอนุชานามิพิขเวขอกวาละศีัตะประมาณนางพิมโูหานังพิมโบหานังนี้ก็คือหมอน แปลว่ายาพึงทรงหมอนทั้งหลายใหญ่ประมาณตึงกายคือใหญ่หนุนได้ตั้งแต่สะเอลถึงศีรษะถ้าตรงต้องทุกกดโอจะเปนหนุนอะไรหมอนใหญ่ตั้งแต่เอลถึงศีรษะเราพูดต ถ, ถาคตอนุญาตหมอนประมาณเทียงศีรษะคือกว้างพอวางศีรษะทั้งสิ้นกับคอด้วยได้ลักษณะทำหมอนก็เอาผ้าอุดศีรษะหมอนข้างๆเนี่ยผ้าที่อุดศีษะสีะส่เหลี่ยมพับที่ยงมุมเข้าให้เป็นสามมุม วัดระหว่างมุมทั้งสองด้านกว้างคืบสี่นิ้วกว้างคืบสี่นิ้วที่กว้างด้านทะยงมุมกว้างศอกมุธธติสอกกำก็แต่โดยยาวตัวหมอนศอกคืบหรือว่าสองสอกก็ได้ตัวหมอนเนานะแต่ว่าไอตัวปิดหัวหมอนเนี่ยทับทแยง ม, ม, มุมเป็นสามมุมแล้วก็วัดระหว่างมุมทั้งสองด้านกว้างคืบสี่นิ้วที่กว้างด้านทะยานมุม แล้วก็กว้างตอกมุติตอกดำเนี่ยนะหมอนกว้างยาวเท่านี้ชื่อว่าหมอนประมาณเพียงศีตะคํานี้กล่าวไว้ในอัตถกษานกุรุนทีซึ่งว่านั้นเป็นหมอนกลมถ้าเป็นหมอนอิงหรือเป็นหมอนขวานดังในประเทศไทยพึงกระทําส่วนกว้างแต่คอขึ้นไปถึงศีตะให้ได้คืบสี่นิ้วอันนี้เป็นอัตโนมัติของท่านนะถ้าเป็นหมอนอิงหรือว่าหมอนขวาน ให้ได้คืบสี่นิ้วอาศัยในในดีกาวิมติวิโนทนีว่าหมอนกลมจะเย็บให้กลมหรือว่าให้เป็นสี่เหลี่ยมก็ตามเพืงเย็บโดยกว้างทะแยงมุมผ่าหัวหมอนให้ได้ประมาณศอกมุติก็คือศอกก ร, รมนั่นเองอันนี้กำหนดอย่างอุกตษแองหมอนที่มีสีรษะเป็นประมาณหมอนมีสีสัเป็นประมาณนะเบื้องบนแต่ประมาณนั้นขึ้นไปไม่ควร ตาลงมาจึงควรก็เล็กได้แต่ใหญ่ขึ้นไปไม่ได้ที่สุดไม่เป็นใช้จะใช้หมอนสีสะหมอนเท้าสองนี้ย่อมควรใช้หนุนเท้าก็ได้นะใช้หมอนเล็กอย่างนี้นะพระกุศลเทวเถระท่านกล่าวว่าหมอนทําด้วยนุ่นเป็นกัปปิยะห้าที่พระองค์ทรงอนุญาตในพวกแม้จะใหญ่ก็ควรส่รวนพระอุปติสสะเถระผู้ทรงวินัยท่านกล่าวว่า เมื่อคิดว่าจะทำหมอนและใช้นุ่นเป็นกับิยะก็ตามากับิยะก็ตามประกอบด้วยประมาณจึงควรก็ให้ได้ประมาณก็แล้วกันจะทกะากับิยะกัิยะยังไงก็แล้วแต่ก็แลกเครื่องราชเป็นอกับิยะเป็นต้นว่าผ้าโกชาวหญ่มีขนยาวดังกล่าวแล้วในก่อนจะปูราชบริโภคในเตียงตังในวิหารของสงหรือว่าของบุคคล น, นั้นไม่ควรนะถ้าเป็นเครื่องราชกัิยะทั้งหลายนี่นะ จะไปปูรา่าในหางสงของบุคคลไม่ได้ทั้งนั้นก็แลปูราาบริโภคในธรร ม, มาทโดยนิยมแห่งที่หิวิจัดของกครื่องถัดได้อยู่ถ้าจะไปใช้แบบเป็นของกครื่องถัดนี้ได้จะนอนในที่นั้นไม่ควรให้นั่งได้แต่ว่าไม่อนุญาตให้นอนในเครื่องลาดเป็นอกับย่าเช่นนั้นเป็นที่หิวิจัดของกครื่องถัดอยู่ในธรร ม, มาทหรือว่าในโรงฉันหรือว่าในไรแวกบ้านจะนั่งทับควรอยู่จะนอนทับไม่ควร ได้ทรงอนุญาตไว้ว่าอนุชานามิพิคเวข้อความละถะเปตตวาตีนิอาสันดิงปันลังกังตูริกังอวะเสสงังทิหิวิกตังอภินิสีดิตุงณนะตะเววะอภิณิพัชติตุงอนันญางให้นั่งได้ไม่ให้นอนแปลว่าเราผู้จะถากพศอนุญาตให้นั่งทับเครื่องลาดเป็นที่หลีกจัดนอกนั้นเว้นแต่ของสามอย่างคือ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 บัลังเท้าติดด้วยรูปสัดร้ายแล้วก็ฟูกเบายัดด้วยนุ่นเพราะฉะนั้นก็อนุญาตให้นั่งทับได้แต่ว่าไม่อนุญาตให้นอนให้นอนอิงนอนทับก็แลจะนั่งทับเตียงต่างซึ่งหุ่มด้วยนุ่นข้างในในโรงฉันในระแวกบ้านอย่างเดียวควรอยู่จะนอนในเตียงต่างนั้นไม่ควรได้ทรงอนุญาตและกาหนดไว้ว่าอนุชานามิพิท เ, เวกนะ็คำละขีหิวิกตัง อภินิสีติตุงณตะเววะอภิมิปัชติตุงดังนี้ก็แลเตียงตังรัดด้วยหนังเป็นต้นก็ควรด้วยทรงอนุญาตด้วยว่าอนุชานามิต่อคำละโอนัทมันจังโอนัทปีถังดังนี้ผ้าปาวารโอปาวารโอผ้าปาวานกอสยยางผ้าไหมยโกชโวผ้าโกเชากำผ้ลังผ้ากำพล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 ด้วตทองอนุ ญ, ญาตเล้ว่าอนุชานามิพิทเวก็ความละับบางปราสาดปริโภคังดังนี้แต่ว่าเราพูดตถาคตอนุญาตเครื่องบริโภคในปราสาททั้งปวงทายกทั้งหลายกล่าวว่าข้าพเจ้าทั้งหลายถวายทาตหญิงธาตชายไร่นาที่ดินโคกระบือแก่ปราสาทดังนี้กิตติ์ึงจะรับรแผนกหนึ่งตางหากไม่มีเมื่อรับปราสาทแล้วก็เป็นอัน รับแล้วแท้เพราะฉะนั้นไม่ต้องมีการแยกแยกถวายตั้งหากอีกข้อหนึ่งอีกทรงอนุญาตไว้ว่าอนุชานามิพิคเวก็คําละอาสันติยาปาเดฉิ ด, ดิตตวาปริพุนจิตุงปัญลังกัะวาเรฉิดดิตตวปริพุนชิตุงตูริกางวิชะเตตวาทิมโบหานังกาตุงอวเสสงังภุมมัทธรนางกาตุงแปลว่า เราผู้สถาคตอนุญาตให้ตัดเท้าเตียงตังที่สูงเกินประมาณเสียแล้วจึงบริโภคและให้ทำลายรูปสัตว์ร้ายซึ่งติดอยู่ในบอลลางออกเสียแล้วจึงบริโภคฟูกนุ่นให้สางแยกเอานุ่นออกทำหมอนเครื่องลาดเป็นอากบิยะนอกนั้นมีผ้าโกชชาวขนยาวและเครื่องลาดทำด้วยขนแกะวิจิตรด้วยลายเย็บลายตักเป็นต้น ให้ทำเป็นเครื่องลาดพื้นในเสนาสนะก็ให้เป็นของเซนาสนะไปก็ได้ไม่เป็นไรเพราะว่าขอในเสนาสนะเนี่ยอนุญาตทุกอย่างข้อหนึ่งอาสนะเขาปูไว้ไม่ได้พิจารณากร อ, อย่างนั่งถ้านั่งลงต้องทุกกดด้วยโตงห้ามไว้ในวินิจตวัตถุว่านาจัจพิคเวอปัจจเวกิตวาอาสนีนิสีดิตับบังดังนี้อาสนะเช่นไรจะต้องพิจารณาอาสนะเช่นไรไม่ต้องพิจารณา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 ข้าพเจ้าประโ้วใช้สายเทนา ส, ะ น, ะสะนะแล้วไม่เป็นไปเพื่อบำบัดหนาบำบัดร้อนมันไม่ใช่อย่างนั้นนะนั้นพิจารณาด้วยก็ดีแต่พิจารณาตรงนี้นี่ถ้าไม่พิจารณานี่ยต้องอบัตินี่หมายถึงว่าพิจารณาว่ามีอันตรายหรือว่ามีตัดเข้าไปอยู่ในอาสะนะนั่นหรือเปล่าก็าจะได้ไม่ทําให้คนอื่นเดือดร้อนแม้อาสะนะใดคนทั้งหลายเขาเอามือกดลงเองแล้วร้องนิมนต์ว่าท่านจงนั่งในที่นี้แม้ในอาสะนะนั้นก็ควรก็คือไม่ต้องพิจารณาก็นั่งลงไปได้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 เอามือลูบลงกาหนดดูแล้วจึงนั่งตั้งมือเ ป, ป็นลูบๆว่ามีตัวสัตว์มีตัวอะไรมีของแหลมมีอะไรจะบรรทุกสร้ยอยก้นหรือเปล่านี่ก็ต้องพิจารณาอย่างนี้ก็แลอัตกถามหาปัจจเรีกล่าวไว้ว่าในอาสนะที่เขาปูลาดด้วยผ้าหนาเกลียวไม่ปรากฏอาสนะนั้นก็ไม่ต้องพิจารณาก็ได้ไม่ต้องพิจารณาก็ได้แต่ปกติของว่าวิสุก็ควรจะพิจารณาพิจารณาโดยพระวินัยอย่างนี้อย่างหนึ่งแล้วก็พิจารณาโดย ทำก็คือบริโภคใช้สอยเพื่อประโยชน์อะไรเป็นสาธกะสสมชัญญะข้อหนึ่งอย่านอนในที่นอนทั้งหลายอันเรียรายด้วยดอกไม้ถ้าเธอใดนอนต้องทุกข์กดโดยทรงห้ามไว้ว่าณนะพิศเวปุปผาพิกินเนสุตยะเนสุสยิตบังตานี้พระองค์ทรงอนุญาตไว้ว่าได้ของหอมแล้วให้เจิมในบานประตูได้ดอกไม้ให้วางข้างหนึ่งในวิหาร ข้อหนึ่งอย่าห้ามอาสนะพิจุกแก่ด้วยตรงอนุ ญ, ญาตและห้ามไว้ว่าอนุชานามิพิขเวก็ความละยะขาวุฒังอภิวาดานังก็ความละอิเมโขพิขเวตโยวันดิยาก็าให้ไหวสามบุคคลไม่ให้ไหวบุคคลนอกนั้นแปลว่าเราผู้ตถาคตอนุญาตการอภิวาทปราบไหวและการลุกับการทำอัญชฉลีกรรมและสามิจิกรรม และอาสนะอันเลิศน้ำอันเลิศคือน้ำทักสีโนทกและก้อนข้าวอันเลิศคือก้อนข้าวควรแก่ข้าเถระเหล่านี้ตามลำดับผู้แก่ปัญหาก็และทิจุอย่าพึงห้ามอาสนะของสง์ตามลำดับผู้แก่ปัรหาถ้าเธอใจห้ามต้องทุกตัดแล้วต่อไปพระองค์ก็ทรงแสดงคนไม่ควรไหว้และคนควรไหว้ว่าดูก่อนที่สุดทั้งหลายบุคคลไม่ควรไหว้มีสิบประเภทดังนี้คือ ปุเรอุปสมปันเนนะปัจฉาอุปสัมปันโนอวันดิโยผู้อุปสมบทภายหลังอันผู้อุปสมบทก่อนไม่ควรไหว้อย่างหนึง่งอันที่สองก็อนุปปะสำปันโนสำ ม, นนสมนเนและกฤหัตไม่ควรไหว้นานาสังวาสกโกวุทาตโรอธรรมวารีผู้มีสังวาต่างกันโดยนัตถิแม้เป็นผู้แก่กว่าแต่เป็นผู้กล่าวสิ่งที่ไม่ใช่ธรรมว่าเป็นธรรมอันนี้ก็ไม่ควรไหว้ มาตุคาโมก็คือหญิงไม่ควรไหว้ปันตโกกับเธอไม่ควรไหว้ปริวาติโกผู้ต้องครุกาบัตดแล้วอยู่ปริวาสอย่างหนึ่งมูลายะปฏิกัสนาระโหผู้ต้องครุกาบัตดแล้วปรบพฤตวัดอยู่กลับต้องครุกาบัตดอีกในระหว่างนั้นควรจะรับปฏิกัสนะก็คือกลับชักเข้าห า, าบัรเดิมอีกอันนี้ก็ไม่ควรไหว้มานัตตาระโโหผู้อยู่ปริวาสแล้วควรจะรับมานัตก็ไม่ควรไหว้เหมือนกัน มานัต จ, จาริโกผู้ที่รับมานัตแล้วมาประพฤติมานัตอยู่ก็ไม่ควรไหวอัภานะระโหผู้ที่ประพฤติมานัตครบหกราตรีแล้วควรอัภานกรรมอันนี้ก็ไม่ควรไหวเหมือนกันสิบพวกนี้ชื่อว่าอาวันดิยะเป็นคนไม่ควรไหวบุคคลควรไหวมีสามประเภทเท่านั้นก็คือปัจฉาอุปสัำปันเนนะปุเรอุปสมปันโนวันดิโย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 พระตถาคตผู้อรหังสัมมาสัมพุทธะเป็นบุคคลควรไหว้ในโลกทั้งเทวดามารพรในมูสัตทั้งสมณพราหมณ์เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายอันนี้ชื่อว่าเป็นวันทิยะบุคคลสามประเภทนี้ทิสุห้าประเภทมีปริวาสิกะเป็นต้นก็คือผู้อยู่ปริวาทผู้ที่ทักษะบัตเดิมผู้ประพฤตมนัตควรแต่มนัตแล้วก็ผู้ที่ควรแตอารเนี่ยไม่ควรไหว้นะ แห่งที่สุปกตาตะที่สุปกตาตะจะไปไหว้ที่สุที่ประพฤติกรรมอยู่วุฒานาครมีเหล่านี้ไม่ได้ไหว้บุคคลไม่ควรไหว้สิทธิ์นี้เป็นอบัติทุกกฎทั้งสิทธิ์เลยพวกผู้หญิงก็ไม่ควรไหว้กระเทยบันดา อ, อะไรพวกนี้ลิสุอ่อนภาษาป่าด้วยอนุษส์บัลพวกนี้ถ้าไหว้บุคคลสิทธิ์กับพวกนี้ต้องอบัติทุกกฎแต่ว่าในคำทีปริวาระกล่าวบุคคลที่ไม่ควรไหว้อีกสาหมวด สามหมวดก็อีกสิบห้าบุคคลหมวดลห้าหมวดลห้าเนี่ยก็เลยกลายเป็นยี่สิบห้าบุคคลดังนี้ว่าอันตรครางประวิถโผผู้เข้าไปแล้วอย่างละแวกบ้านอันนี้ก็ไม่ควรไหว้รับฉังคาโตผู้ไปตามตรอกอย่างหนึ่งโอตะมัสิโกผู้อยู่ในที่มืดจะไหว้ผู้นี้น้าผากจะไปกระทบกับเท้าเตียงก็ได้เพราะฉะนั้นก็อยู่ในที่มืดจึงไม่ควรไหว้กันอะสมนหาหะรันโตผู้ไม่สมัมนาหาน ซึ่งการว่าคือยังไม่ได้ตั้งใจไม่ได้สนใจการว่านะั้นเพราะว่าขวนขวาอยู่ในกิตอื่นไม่ได้ประมวลไม่ได้รู้ว่าเรากําลังจะว่าห ย, ยุดนั่นต้องเรียกข่าการท่านสุดโตก็คือผู้นอนหลับอย่างหนึ่งอันนี้หมวดแรกนะห้าบุคคลและยากูเปนะบุคคลที่ดื่มข้าวต้มอยู่ในเวลาดื่มข้าวต้มมีควัว่าพาตัตตะเทผู้อยู่ในโรงฉันก็ไม่ควรว่าเอกาวัตโตผู้ที่หมุนไปข้างคือคนที่เป็นข้าศึกคนมีเวรเป็นศัตรูกันนี่นะ ผู้นี้เมื่อไหว้ก็จะพึงประหารผู้ไหว้แม้ด้วยเท้าได้เพราะเหตุ น, นั้นจึงไม่ควรไหว้อัญญาวิหิตโตผู้สงใจไปคิดเรื่องอื่นอยู่กําลังมือลอยอยู่ก็ไม่ควรไหว้ต้องรียกให้รู้ตัวนักโคผู้เปลือยกายไม่มีผ้านุ่งผ้าห่มอยู่ไม่ควรไหว้อันนี้ก็อีกห้าบุคคลขาดันโตผู้เคี้ยวกินของเคี้ยวมีแป้งขีดเป็นต้นไม่ควรไหว้คุณชันโตผู้ฉันโพชนะทั้งห้าอยู่ก็ไม่ควรไหว้ อุจารังคารนโตผู้ถ่ายอุจระอยู่ปัสสาวังคารนโตผู้ถ่ายปัสสาวะอยู่สองนี้ก็ไม่ควรไหวเพราะว่าอยู่ในที่ใช่โอกาสก็คือไม่ใช่โอกาสที่จะไหวแล้วกำลังนั่งอุจาระนั่งปัสสาวะอยู่ใ น, นี่ยนะก็ไม่ควรจะไปไหวแล้วก็อุกขิตตะโกที่สุผู้ที่สงยกวัดด้วยอุคเขปณิยกรรมทั้งสาก็คือไม่เห็นอาบัตไม่แสดงคืนอาบัตแล้วก็มีมิจฉาทิศมิยอมสละกคืน ก็แต่พิจุที่สงยกวัดด้วยกรรมอื่นมีตัตชนียกรรมเป็นต้นสี่จำพวกควรจะไหว้เธอได้ก็คือตัตชนีกรรมแล้วก็ปรภาชนียกรรมนิยัตกรร ม, มนนนะว่าไงนะไหว้ได้ไม่เป็นไดด้วยว่าแม้จะทงอุโบสถปรนนากับเธอเหล่านั้นก็ได้อันนี้ก็เป็นอีกห้าบุคคลในอวันที่ย่บุคคลสิบห้าตั้งแต่ต้นมานี้ไหว้บุคคลสองจำพวกคือ ผู้ปลรยกายกับผู้ที่อันทรงยกวัดจึงเป็นอบัตก็แลห้ามไม่ให้ไหว้พิจุสิทธสามจำพวกนอกนั้นด้วยเป็นอาสารูปไม่สมควรคือไม่งามและห้ามด้วยเหตุดังกล่าวแล้วในระหว่างระหว่างแต่ว่าถ้าไหว้บุคคลสิทธจำพวกแรกกับพวกที่เปเรยกายแล้วก็ถูกทรงยกวัดสิทธสองจำพวกนี้ตอนอบัตทุกกฎ น, นอกนั้นอีสิทธสามจำพวกนี้ไม่มีอบัตวันนี้ก็คงจะสมควรอยู่เวลาเอาไวต้ต่อในวันพรุ่งนี้ไปแล้วกัน ขอขอใท่านได้อัตตาในการที่จะรักษาพระวินัยเพื่อกูลแก่ธรรมะในการที่จะเจริญทั้งไตรจิตขาถิ่น ส, สนมบทที่ปัญญาอันเป็นสมถาวิปัสสนานี่แหละถิ่นก็ส่งเคราะห์สมถะวิรปฏิสามในองค์มรติสัสมมาวายามะสัมมาสติสัมมา ส, สมาธิทั้งหองค์นี้ก็สงเคราะห์สมถะส่วนสมาธิจิตัต์สัมมาสังกปะนั้นวิตกกับปัญญาเนี่ยก็ส่งเคาวิปัสสนาไปนั้นก็ให้ถินเป็นปัจจัยเพื่อกูลแก่สมถาวิปัสสนาจงทั้งได้บรรลุใน อริยมรรในองมารคคอยตัดรู้อริยะสัจธรรมโดยทั่วกันเทินสาธุสาธุสาธุ